ทำรวมจิตใจของทนให้ดีเรามาประชุมกันความมุ่งหมายก็เพื่ออบรมจิตใจโดยตรงถ้าไม่รวมกันอย่างนี้มันไม่มีกำลังใจเข้มแข็งเมื่อเราได้รวมกันสามคีกันอย่างนี้ ต่างถ้อยที่ถ้อยก็ยินดีในการฝึกตนต่อกันและกันเราอยู่ร่วมกันเราถือทำเป็นใหญ่เมื่อถือทำเป็นใหญ่แล้วต่างคนก็ทําใจให้เป็นธรรมให้ตั้งอยู่ในความสงบมันก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะกระทบกระทั่งกัน ให้มีเป็นเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจต่างคนต่างมีศีลมีวินัยมีสติเป็นวินัยดังที่เคยพูดมาแล้วมันก็สบายใจดีเรียกว่าการปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่อความสบายใจไม่ใช่ปฏิบัติแล้วได้นับความทุกข์เดือดร้อนใจยังหามีได้เลย พบว่าความสงบใจมันเป็นความสุขอย่างยอดความสุขนอกนั้นเป็นแต่เปลือกเป็นแต่กระพี้ของความสุขเท่านั้นขอให้พากันเข้าใจพระศาสดาทรงมุง่งฝึกคนให้มีจิตใจสงบระงับนี่แหละเป็นจุด หมายปลายทางของพระองค์ก็ให้พากันพากันคิดนึกถึงจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะเรานับถือพระพุทธองค์เป็นศาสตราผู้สั่งสอนผู้ชีห้หนทางออกจากทุกข์ให้ไม่ใช่อย่างอื่นในการนับถือพระพุทธเจ้านะเรามาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระองค์ แล้วเห็นว่าคำสอนของพระ อ, องค์นี่เป็นเครื่องชี้หนทางออกจากทุกได้โดยตรงเลยไม่ใช่อ้อมคอมทุกคนต้องพิจารณาให้เห็นดังกล่าวมานี่เดี๋ยวให้เห็นคุณภาพของของพระธรรมว่าเมื่อผู้ใดปฏิบัติตามแล้วถ้าปฏิบัติถูกทางจริงๆย่อมได้ความสุขความเย็นใจจริงๆ เพราะจิตใจนี่นะถ้าพิสูจน์โดยโดยตรงเข้าไปแล้วมันไม่มีรูปร่างอะไรมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เข้าไม่ถึงไม่จะไม่ทำลายความรู้สึกอันนี้ได้โรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนได้แต่ร่างกายเท่านั้นเอง ความรู้สึกคือดวงจิตนี่แต่ถ้าหากก็ไม่ได้ฝึกฝนให้เกิดความรู้ความฉลาดแล้วร่างกายนี่มันแปรปวนกระทบกระทั่งเอาจิตนี่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะไม่มีปัญญาจะรู้เท่าร่างกายนี่ตามเป็นจริงอืมดังนั้นเอะพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ฝึกจิตใจนี่ให้ตั้งมั่นลงไป แล้วจะได้เกิดปัญญารู้เท่าร่างกายนี่ตามเป็นจริงเมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วอย่างนี้จิตมันก็เป็นเป็นทุกข์เดือดร้อนนะแต่ความรู้สึกเจ็บปวดร้อนหนาวอะไรอย่างนี้มันมีอยู่แต่ว่าจิตถ้าไม่เป็นทุกข์ไม่กระวนกวายหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อจิตรู้เท่านะ ถ้าจิตไม่รู้เท่าแล้วมันเป็นทุกข์กระวนกระวายทั้งกลัวตายก็กลัวอืมอย่างนี้แหละดังนั้นขอให้เข้าใจว่าก็เราฝึ ก, กจิตฝึกใจนี้ให้มันเข้มแข็งไม่ให้มันยึดถือร่างกายสังขารอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนก็เพื่อฝึอกจิตนี้ไม่ให้มันสรุ่งหวดกลัวต่อความตาย ต่อความแปลผันของรูปกายอันนี้ไม่ให้จิตนี้มันเศร้าโศกเสียใจกับร่างกายอันนี้เมื่อเวลาร่างกายนี่มันวิบัติแปลพวนไปจุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็อย่างนี้แหละขอให้เข้าใจทีนี้การที่พวกจิตนี่จะให้จิตนี่มันรู้เท่าร่างกายทำเป็นจริงได้ มันก็ต้องเริ่มมาตั้งแต่การรักษาศีลให้บริสุทธิ์นนะู่นเนอมเมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วบาปไม่บังเกิดแล้วจิตใจก็บอกเบิกบานผ่องแผ้วอา น, นิสงส์ศีลอันนั้นนะทำให้จิตใจเบิกบานไม่เดือดเนื้อร้อนใจเมื่อมากลวจ ด, ดูความประพฤติทางกายวาจา เห็นว่าบริสุทธิ์อยู่ไม่ได้ใช้กายวาจานี่ทำบาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปแล้วอย่างนี้มันก็จิตใจก็เบิกบานสิเมื่อรู้ว่าตนบริสุทธิ์จากบาปจากโทษแล้วก็ไม่เดือดร้อนอันนี้ลราอ น, นิสงส์ศีลที่เราได้รับในปัจจุบันคอยเข้าใจกัน เมื่อใจเบิกบานผ่องใสแล้วมันก็เป็นบันไดก้าวไปสู่สมาธมิมันเป็นอย่างนั้นเรื่มันนะเพราะว่าการที่จิตใจจะเป็นสมาธินี่มันก็ต้องใจเบิกใจบานไม่ได้ขุนมัวไม่ได้เต่ามองไม่ได้ทุกโศกอะไรเช่นนี้มันจึงรวมลงเป็นหนึ่งได้ถ้าหากว่ามมันมีความทุกข์ความโศก ความพิไรลำพันธ์วิตกวิจาร์อะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยมันจะสงบลงไม่ได้เลยเป็นงั้นดันั้นมันต้องผ่านความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆไปความทุกข์ทางใจอันจะไปเกิดความเสียใจดีใจกับเรื่องดีเรื่องชั่วภายนอกก็ไม่มี ก็ระงับแล้วมันนี้ก็อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในคือร่างกายสังขารนี้ไม่วนไหวไปตามเพ่งให้รู้เท่าทุกขเวทนาในกายนี้ตามเป็นจริงรู้ว่า เมื่อขันห้าไม่ใช่ของเราแล้วทุกมันก็ไม่ใช่ของเราอย่างนี้นะดังนั้นจึงเราจึงไม่ต้องวันไหวไปตามทุกขเวทนานี่เมื่อรู้ถ้าอยู่ในจิตมันก็วางจิตวางแล้วมันจึงรวมลงเป็นหนึ่งได้ขอให้เข้าใจถ้าหากว่ายังวันไหวต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในกายอย่างนี้อยู่แล้ว จิตจะรวมลงไปหนึ่งไม่ได้เลย อ, อย่างนั้นต้องอดต้องทนก็เมื่อเรารู้ว่าร่างกายขันหน้านี้ไม่ใช่ของเราเราจะไปเดือดร้อนทำไมอจิตที่มันเดือดร้อนเพราะมันถือว่าเป็นของเราเดี๋ยวนี้นะถือว่ากายเราอย่างนี้นะมันจึงได้เดือดร้อนแต่ถ้ามันรู้แจ้งว่าไม่ใช่ของเราจริงๆแล้วอย่างนี้มันไม่เดือดร้อนนะจิตนะ ม, มันก็อดได้ทนได้ถึงแม้ว่าเราจะรู้เท่าร่างกายนี้อย่างไรอย่างไรก็ตามแล้วจะให้ความรู้สึกในในความทุกขเวทนาต่างมันระ ง, งับไปอย่างนี้ไม่ใช่นะรู้เท่าอย่างไรมันก็ยังรู้จักอยู่นั่นแหละรู้ทุกเจ็บมันก็รู้เจ็บปวดก็รู้ปวดอยู่นั่นแหละ ร้อนก็รู้ร้อนอยู่หนาวก็รู้หนาวอยู่อย่างนี้นะแต่ว่าเมื่อมันรู้แจ้งแล้วมันถึงไม่หวั่นไหว ấy, ขอให้เข้าใจอันนี้ขอย้ำแล้วย้ำอีกเพราะว่ามันเรื่องสำคัญเรื่องนี้นะบางคนก็เข้าใจผิดนะคิดว่าเมื่อรู้แจ้งรู้เท่าตามเป็นจริงแล้วจะไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์เสียเลยอย่างนี้นะ อันนี้มันเข้าใจผิดไปเพราะอย่างที่เคยพูดได้ฟังอยู่แล้วว่าจิตที่ไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์นั่นมีแต่จิตเข้าในโลดสมาบัต์นู่นนูนจิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ที่ท่านเข้าสู่ในโรธสมาบัต์ได้ท่านยับยั้งอยู่โดยไม่ต้องขยับเขยื่อนร่างกายไปไหนมาไหนอยู่ เจ็วันเจ็ดคืนท่านก็นอยู่ได้อ น, นั้นแสดงว่าจิตท่านไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์ในร่างกายเลยเมื่อจิตท่านตั้งอยู่โดยลําพังแล้วอย่างนี้ไอ้ร่างกายมันก็พลอยสงบไปเลยวันนี้อมันก็ไม่ปูนปั่นวนไว้อะไรในขณะที่ท่านเข้าในโลกสมาบัติอยู่แล้วนะเหตุ น, นั้นท่านจึงยับยั้งอยู่ได้ถึงเจ็ดวันเจ็ดคืน ถ้าได้สัมผัสกับความทุกขเวทนาของร่างกายอยู่ยนี่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ถึงปัณนณนต้องให้เข้าใจมันตลอดเมื่อท่านผู้ที่เข้าในโลดสมาบัติไม่ได้อย่างนี้มันก็ได้สัมผัสกับความทุกความแปลปวนของร่างกายอันนี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าท่านผู้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่น ในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาได้แล้วท่านไม่เป็นทุกข์อย่างนี้นะให้เข้าใจรู้ทุกข์อยู่แล้วนะแต่ว่าจิตใจไม่เป็นทุกข์ไม่กังวลกังวายไม่วนไหวอดได้ทนได้มีสติรู้เท่าอยู่ตามธรรมดามีปัญญารู้แจ้งในขันห้าตามเป็นจริงอยู่ รู้ว่าขันห้านี่มันแปรปวนมันกำลังจะแตกจะดับไม่ใช่เราแปรปวนไม่ใช่เราแตกเราดับเราไม่มีอยู่ในขันห้าขันห้าไม่มีอยู่ในเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนจิตอย่างนี้มันเป็นความจริงนะเรียกว่าสอนความจริงไม่ใช่ปั้นเรื่องเอาอะ่ะเป็นความจริงที่ ถ้าว่าขันห้ามีอยู่ในเราเรามีอยู่ในขันห้ามันก็เป็นทุกข์ตลอดการไม่มีผู้ใดพ้นทุกข์ได้เลยอย่างนี้เหตุที่มันจะมีผู้พ้นทุกข์ได้แสดงว่าผู้ที่อยู่นอกเหนือขันห้ามีอยู่นี่ผู้ที่ไม่ไม่ใช่อยู่ในวงของขันห้านะั้นะมีอยู่อืา เช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่อันนี้มันเป็นเฉพวกขันหา น, นี่แล้วธรรมชาติที่อยู่นอกขันหานั้นมีคืออะไรเราคือดวงจิดนั่นแหละให้เข้าใจดวงจิตนี่มันไม่ได้เป็นขันห้าหมายความว่าอย่างนั้นแต่อาศัยขันห้าอยู่หากไม่ใช่ หากไม่ใช่ขันห้าเอา้าวิญญาณหรอเอา้าวิญญาณก็เป็นอาการของจิตออกจากจิตเวียนงันก็สังเกตดูสิเมื่อเวลาคนจะตายเนะ่เวลาจวนจะตายเนะ่ยวิญญาณทางกายมันก็ดับเบื้อง บนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปดับความรู้สึกไปความรู้สึกมันก็หายไปหายไปขึ้นมาถึงหัวเข่าขึ้นมาถึงขาดับขึ้นดับขึ้นความรู้สึกไม่มีแล้ววันนี้นี่นั่นแหละวิญญาณมันดับไอทางเบื้องต่ำก็นับแต่สีสระลงไปความรู้สึกมันก็กดับลงดับลง ดับลงไปถึงท่ามกลาง อ, อกบั น, นีีความรู้สึกคือวิญญาณมันดับตาทางทางตาก็ดับหูก็ดับจมูกก็ดับลิ้นก็ดับอวัยวะร่างกายส่วนอื่นดับไปหมดมันก็ไปรวมอยู่ที่จิตเหลือแต่จิตเท่านั้นอยู่ในท่ามกลาง อ, อกนั้นอย่างนี้แหละเมื่อจิตยังอยู่ลมหายใจก็ยังปรากฏอยู่ อย่างนี้แหละพอจิตถอนออกจากร่างนี่แล้วก็หมายใจก็ดับวูบไปเลยอืมนี่ให้สังเกตดูให้ดีเป็นอย่างนี้แหละวิญญาณจึงชื่อว่าเป็นอาการของจิตอยู่ในจําพวกขันห้าเมื่อรูปร่างกายอันนี้มันธาตุทั้งสี่นี่ไม่กองดองสามัคคีกันแล้วมันแตกสามัคคีกัน บัดนี่นามาทำที่อาศัยในขันหานี่ก็อยู่ไม่ได้เอเวทนาความสุขความทุกข์อะไรเมื่อวิญญาณความรู้สึกนี่มันดับไปดับไปเท่าไหนเวทนาที่นั่นก็ไม่มีแล้วสัญญาความจําหมายในส่วนที่วิญญาณมันดับไปนั่นก็ไม่มีแล้วอืสังขารความปรุงแต่งว่าเราเจ็บแข้งเจ็บขา เจ็บท้าหรือว่าปวดสีตาอันนี้ไม่มีแล้วเมื่อวิญญาณมันดับไปแล้วอ่ามันเป็นอย่างนั้นมันดับไปดับไปตรงไหนแล้วก็ความรู้สึกนมามธรรมทั้งสีนี่ก็ดับไปพร้อมกันเลยเมื่อวิญญาณดับเวทนาสัญญาสัขางขางก็ดับดับไปตามกันอ่าเป็นอย่างนั้นอันนี้ไปมันก็ยังเหลือแต่ดวงขิดเท่านั้นแหละอาศัยอยู่หาไทยวัตถุนั้น ทีนี้เมื่อถึงวาระมันมาแล้วเรียกว่าบุญเก่าหมดลงแล้วจิตก็อาศัยอยู่ในร่างนี้ไม่ได้ถอนตัวออกจากคาทัยวัตถุนั้นไปตามยถากรรมวันนี้น ะ, ะถ้าผู้มีบุญได้สั่งสมบุญได้มีสติควบคุมความรู้สึกกระดวงจิตได้ไม่ให้เกาะไม่ให้คล้องอยู่ในโลกอันนี้อย่างนี้นะ เมื่อมันไม่เกาะไม่คล้องอยู่นี่มีแต่บุญกุศลปรากฏอยู่ในจิตใจอย่างเดียวเท่านั้นบุญกุศลมันก็นำไปสู่ที่สุขสบายได้ตามประสงค์เลยแต่ถ้าจิตไปคล้องอยู่แล้วถึงบุญมีอยู่มันก็ไปไม่ได้บุญก็พาไปไม่ได้อขอให้เข้าใจยกตัวอย่างเช่น พระเจ้าอโศกกะมหาราชท่านเป็นผู้ทำสังคัญนายาขั้งที่สามสำเร็จลงแล้วมานีก็มาสร้างเกดีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันห์แปดหมื่นสี่พันห้องแล้วได้ขอได้อาราธนานิมน์ให้พระอรหันต์ที่ท่านมีฤทธิ์ในสมัยนั้น ไปอัญเชิญเอาพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าที่บรรดากษัตริย์หัวเมืองต่างๆเจ็ดหัวเมืองใหญ่ๆและก็หัวเมืองเล็กๆ อ, อีกได้รับส่วนแบ่งจากโทนพรามที่เมืองกุศินารายข้างนั้นแล้วต่างก็เอาไปก่อเจดีย์บรรจุไว้ในเมืองของตนก่อน วันนี้พระอาราหารันต์หลายเหล่านั้นท่านก็นไปอันเชิญเอาพระบรมธาตุอันมาด้วยอำนาจอนุภาพของตนเอามามอบให้แก่พระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชจึงได้แบ่งเอาพระบรมธาตุนั้นบรรจุไว้ในวิาหารแปดหมื่นสี่พันห้อง ให้ทั่วถึงกันไปหมดเลย อ, อย่างนี้แล้ววันนี้พระเจ้าอาโศกามาราชมีศรัทธาได้ทำบุญกุศลทักราบูชาพระบรมธาตุของพระเจ้าอยู่ทั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแล้วยังวันสุดท้าย เอาสำลีทุบน้ำมันแล้วก็เอามาติดใส่ร่างกายนี่โดยรอบเลยเสร็จแล้วก็จุดไฟเผาตัวเองเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆ บ, บูชาไฟไม่สำลีไปจนหมดไม่ได้ไหม้ร่างกายของพระเจ้าอโศกามาราชแม้แต่น้อยเดียวเลยแค่นี้ด้วยบุญญาณุภาพ อันนั้นรักษาไว้ถึงรันนั้นพระเจ้าอาโศกามาราชไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทำความเพียรทำกิเลสให้เบาบางลงไปเมื่อเวลาเสร็จการบําเพ็ญบุญกุศลดังกล่าวมานั่นแล้วเงินทองในท้องประครังก็ร่อยหลอลงไปเมื่อนี้พระเจ้าอาโศกามาราชนี้ก็เจ็บป่วยลงไปหนัก พวกเสนาอามาตย์ก็ประชุมปรึกษาวิจารณ์กันว่าพระราชาพระองค์นี้ทาพ ร, พระราชาสมบัติส่วนของพระมาหากษัตริย์นี่ใช้จ่ายไปจนหมดไปมากม า, กายกายกองเอ้ผู้ที่มาครองราชสมบัติสืบต่อก็จะเดือดร้อนในภายหลังว่างั้น พระเจ้าอาโศกมาราศได้ทรงฟังนั่นกระทมนัดน้อยใจระงับอารมณ์อนั้นไม่ได้แล้วก็สวรคตไปสวรคตไปในขณะที่จิตใจเป็นอกุศลไอบุญกุศลที่ตนได้ทำมามากมายนั้นลืมเร็จแล้วนึกไม่ได้อางนี้นะบาปอากุศลอนั้นจึงนำจิตวิญญาณของ พระเจ้าอโศกกามาราชไปบังเกิดเป็นงูเหลือมตัวใหญ่เลยทีเดียวเอาหางเกี่ยวกิ่งไม้อยู่ริมทะเลเอาหัวมุดลงน้ำดำน้ำกินปลาอยู่ในน้ำทะเลแต่โชคดีที่ว่าท่านได้ลูกชายกับลูกสาวได้ออกบวชลูกชายชื่อว่ามหินทะ โลกสาวชื่อว่านางสังฆมิตราได้ออกบวชทั้งพี่ทั้งน้องเลยบวชแล้วปฏิบัติไปท่านก็ได้สำเร็จอรหันสำเร็จอรหันเมื่อบิดาสวรรคตรไปแล้วพระมินท่าเทละท่านก็เข้าฌานเพจจารณาดูว่าบิดานี้ไปเกิดในที่ไหนก็รู้ว่า จิตวิญญาณของวิดาไปเกิดเป็นงูเหลือมใหญ่มุดน้ำกินปลาอยู่ในชายทะเลแห่งหนึ่งพระมหินทเทระจึงได้หอะไปในอากาศแล้วไปแสดงตนให้ปรากฏงูเหลือมเห็นแล้วก็แสดงว่าไออัตมานี่นะเป็นลูกของมหาโพิษมหาโพิษทำจิตให้เป็นอกุศลในเวลาจวนสวรรคต หรือเวลาจนจะตายนั่นแหละจึงได้เกิดมาเป็นงูเหลือมอยู่นี่บ อ, อกงั้นเพราะฉะนั้นขอให้พระ อ, องค์จงระลึกถึงบุญกุศลที่พระ อ, องค์ได้กระทํามาให้เป็นอารมณ์เกิดขึ้นในจิตใจเสียในขนาดนี้แหละแล้วพระ อ, องค์จะได้พ้นจากความเป็นอย่างนี้ต่อไปเมื่อลูกไปตักเตือนได้อย่างนั้นแล้วก็ได้สติ ระลึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำมาแต่เป็นมนุษย์แต่เป็นพระราชาหมากระยัดเมื่อบุญกุศลนั้นบังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วตายจากงูเหลือมแล้วก็เลยได้ไปเกิดสวรรค์เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ยกมาให้ฟังว่า บุคคลที่แม้จะทำบุญให้ทานรักษาสินอะอย่างไรอย่างไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าไม่เจริญสมาธิภาวนาไม่พยายามละนิวรณห้าให้ระงับไปจากขิตใจไม่ได้เจริญปัญญาเห็นแจ้งในขันห้าตามเป็นจริงดังกล่าวมาแล้วนั้นเช่นนี้นเวลาโจรจะตายเนี่ยมันเผลอไป พว้าได้อารมณ์อันใดก็ยึดอารมณ์อันนั้นไวะจะเป็นอารมณ์ที่เกี่ยว เ, เกี่ยวกับเป็นบาปอากุศลมันก็ยึดเอาไว้วิตกวิจารอยู่ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะกำหนดละอารมณ์เหล่านั้นได้เพราะไม่ได้ฝึ ก, กจิตใจมาให้เป็นสมาธิไม่ได้เจริญปัญญามาแต่ก่อนเนยพากันเข้าใจ ผู้ใดได้เจริญสมาธิได้เจริญปัญญามาแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นผู้มีสติมากอรู้ตัวอยู่เสมอเวลายังไม่เก็บไขได้ป่วยก็รู้ตัวอยู่ก็มองเห็นกําหนดรู้อยู่ว่าธาตุสีขันหานี่มันแต่พวนเกิดดับเกิดดับตัวอย่างนั้นไม่ใช่มันอยู่นิ่งๆเมื่อไหร่ มันไม่ได้อยู่นิ่งๆเลยรูปกายมันเกิดยังไงอ่ะก็เคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่แล้วแหละแต่ต้องพูดอีกก็ อ, อย่างเช่นเรารับประทานอาหารเข้าไปอย่างนี้นะอาหารเก่าที่ไฟ้ามันย่อยออกไปนั่นแล้วมันก็ถ่ายเทออกไปนั่นเลยกว่ารูปเก่ามันดับไปแล้ว รูปใหม่เกิดแทนก็รับประทานอาหารเข้าไปใหม่อีกเอาไปแทนของเก่าไว้ไปธาตุน้าย่อยอาหารก็ย่อยอาหารนั้นไปซึมซาบรอเลี้ยงร่างกายอันนี้ไว้แทนกันไว้อย่างนี้แล้วส่วนใดที่เป็นน้ำย่อยอาหารที่ซึมซาบไปรอเลี้ยงร่างกายนี่มันก็ไหลออกมาเป็นเหงือเป็นไข่ เป็นน้ำมูกเป็นน้ำลายไปอย่างนั้นแหละเดียวว่าอาหารส่วนละเอียดอันนี้นะรูปเก่าดับไปแล้วรูปใหม่เกิดขึ้นมาแทนแต่ถ้าหากว่าไม่รับประทานอาหารเข้าไปแทนเช่นนี้เรารูปกายนี่มันก็ซูบซิ์เหี่ยวแห้งไปเลยตั้งอยู่ไม่ได้รูปกายนี่จะตั้งอยู่ได้ก็เพราะว่ามันมี อาหารเป็นเครื่องรอเลี้ยงอยู่จึงค่อยตั้งอยู่ได้จึงมีผิวพันธุ์เปล่งปังจึงไม่ทรุดไม่ผอมหนึ่งจึงมีกำลังเลียวแรงดีอยู่นี่ให้พิจารณามันรู้มันเห็นอย่างนี้แต่ทีนี้นะถ้าหากว่าบุญเก่าที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนนะั้นมัน มันรักษามันให้ผลไปในร่างกายนี่มันร่อยน้อลงแล้วมันทำร่างกายมันก็ทํารุดทุดโทรมลองอ่าแต่อย่างนั้นเมื่อมันมันร่างกายทํารุดทุดโทรมลงแล้ ว, ลวรเราทานอาหารก็ไม่มีรสมีชาติเหมือนเดิมอนอนก็ไม่หลับเต็มที่เมื่อร่างกายทุดโทรมลงไปแล้วก็มักจะมีโรคภัยมาเบียดเบียนอ เป็นโรคเป็นภัยเจ็บป่วยอยู่ไว้บ่อยอย่างที่เราก็รู้ๆกันอยู่นี่นะนั่นแหละแสดงว่าบุญเก่ามันร่อยหลอลงไปแล้วร่างกายนี่จึงมีโรคภัยมาเบียดเบียนอ่รับประทานอาหารก็ไม่ไม่ได้มากเต็มทวนนอนก็ไม่ได้หลับเต็มทวนเช่นนี้นะร่างกายมันก็ทุดโทรมลงไปเมื่อบุญเก่ามันหมดลงจริงๆ ลมหายใจก็หมดสิ้นลงไปจิตใจก็อาศัยอยู่ร่างอันนี้ไม่ได้บุญมีบาปมีที่ได้ทำไว้นั่นมันก็ น, นำไปสู่สุขสู่ทุกข์ไปตามบุญตามกรรมท่านพูละอาสวะกิเลศสิ้นไปแล้วท่านก็เข้าสู่นิพพานท่านก็ไม่ได้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปก็อย่างนี้แหละขอให้พากันเข้าใจ แต่ที่นี่มาพูดถึงว่าพูดที่ยังละกิเลสให้หมดไม่ได้ก็เพียนละกิเลสอันเป็นส่วนอันเป็นบาปอากุศลนั้นให้มันน้อยไปเบาบางไปหรือให้มันหมดสิ้นไปจากกายวาจาใจให้ได้ก็นับว่าเป็นฐานดีเลยอืมเป็นดีทีเดียวแหละเมื่อละบาปอากุศลไปได้หมด ลงไปแล้วอย่างนี้มันก็มีแต่บุญล้วนๆเป็นที่พึ่งทางกายทางจิตใจอยู่แบบนี้มันก็มีโอกาสได้สั่งสมบุญให้เกิดมีขึ้นในตนยิ่งๆขึ้นไปแหละเพราะไม่มีบาปมาแทรกแซงไม่มีบาปมาสกัดกั้นเคื่องเหมือนอย่างที่ผู้ที่ละบาปอันหยาบท้ามาแล้วเช่นอย่างว่าเป็นผู้มีศินห้าสินแปด บริสุทธิ์ดีมีสินสิบสามเณรก็รักษาสินสิบให้บริสุทธิ์ดีเป็นพระภิกษุก็รักษาศินพระปาติโม ค, คือสินสองร้อยี่สิบเจ็ดให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีออย่างนี้นะเมื่อมีสินบริสุทธิ์อย่างนี้แล้วก็แสดงว่าละบาปอากุศลส่วนห ย, ยาบๆนั่นได้อืม บาปก็ระงับดับไปดังนั้นจิตใจจึงเบิกบานผ่องใสถ้าบุญบรารมียังไม่เต็มก็ต้องเฝึกขนจิตใจมันสงบไปรักษาความสงบระงับของจิตใจไว้ก็อย่างนี้แหละการปฏิบัติขอให้ผานเข้าใจรักษาจิตตรงนี้นะ เมื่อเราทำนานในการรักษากายรักษาวาจามีสติเป็นวินยัยไม่ทำบาปแล้วนะมันก็มีโอกาสได้รักษาจิตนี้ให้บริสุทธิ์ให้ตั้งมั่นเป็นปกติอยู่ได้เรื่อยไปอันนี้แหละที่จะทำให้บุญกุศลมันจเจริญแก่กล้าขึ้นไปในจิตใจยิ่งยิ่งขึ้นไป บางทีบุญวาสนามีอบุญกุศลมันอาจจะเต็มเข้าขั้นในขั้นหนึ่งในมรรคทั้งสี่ในมรรคทั้งสี่ประการนั้นเมื่อบุญกุศลมันเต็มในขั้นใดแล้วก็ย่อมสามารถที่จะบรรลุมรรคผลในขั้นนั่นได้ในปัจจุบันชาตินี้หละแต่ถ้าหากว่าบุญกุศลยังไม่ แต่ไม่เข้าขั้นในขั้นใดๆก็จะเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้นำไปบังเกิดในสุคติพบใดพบหนึ่ง อ, อันที่จะบ่ายหน้าไปสู่ทุกติไม่มีการปฏิบัติทำในพุทธศาสนานี่ต้องให้รู้แจ้งโดยตนเอง ว่าบาปนั่นตนได้ละมันหมดแล้วก็ให้รู้อย่างนี้นะไม่ใช่ว่ามีแต่ความสงสัยแทงใจอยู่ว่าเอ๊อบาปมันหมดไปแล้วหรื อ, อยังหนเราละมันหมดหรื อ, อยังอย่างนี้เรามีแต่สงสัยลังเลอยู่นั่นไม่ถูกต้องของให้เข้าใจก็ต้องกรวจต้องพิจารณาภาวนา ตรวจการดูอาการกายวาจากความประพฤติของตอนแต่ละวันแต่ละคืนอย่างนี้ตนประพฤติผิดศีลมีไหมหรือไม่มีนี่ก็ต้องทบทวนดูแหละ mm. มันก็รู้ได้ถ้ารู้ว่าแต่ละวันแต่ละคืนมานี่ตนมีสติสมบัติชัญญะรักษากายวาจาใจให้ ปกติโยให้สงบระ ง, งับจากบาปอากุศลโยไม่ได้หลงไม่ได้เผลอทำบาปทำกรรมถ้ า, ากาได้เผลอไปอย่างนี้เราก็สมทานสินเสียเมื่อสมทานสินแล้วก็อธิษฐานใจคราวนี้เราจะมีสติเต็มที่เลยระมัดระวังจะไม่เผลอจะไม่ล่วง สิขาบทที่ได้สมทนาแล้วเมื่อได้อธิษฐานขึ้นไปอย่างนี้สินมันก็มีตามเดิมทีนี้แล้วบาปที่ล่วงเกินสินนั่นมันก็ระ ง, งับไปเมื่อเรารู้ตัวแล้วนะรู้แล้วก็สํารวมระวังต่อไปอย่างนี้นะแล้วบาปนั้นมันก็ระ ง, งับไปให้เข้าใจไอ้ที่ว่าบุคคลทําบาปแล้ว บาปติดตามไปอยู่นั่นเนื่องจากว่ามันทำบาปลงไปแล้วไม่รู้ตัวเลยไม่สารภาพผิดไม่อธิษฐานใจละเว้นเช่นนี้แหละบาปมันถึงได้ติดตามไปให้ผลในภพในชาติต่อๆไปนี่ให้เข้าใจวิธีละบาปก็ต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะก็สรุปแล้วก็การปฏิบัติธรรมนันนะ ก็เพื่อมาผ้าเคลียเมียมละบาปอากุศลที่ตนได้รุ่มหลงกระทำมาแต่ก่อนนั่นแหละให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจเมื่อตอนมารู้ตัวแล้วตนสมทานสิน่นมั่นตนไม่ทำบาปกรรมอย่างนั้นต่อไปอีกแต่แล้วบาปกรรมที่ทำมาแล้วมันยังมีอยู่อย่างนี้นะดังนั้นเราจึงต้องภาวนาอาศัย ทำใจสงบปฏิฐานใจละบาปกรรมที่ล่วล่วงลลทีุ่มหลงกระทํามาแต่ก่อนนั้นให้มันหมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี้นี่นะวิธีละบาปให้พากันเข้าใจถ้าผู้ใด ไ, ไม่เข้าใจอย่างนี้นึกว่าตนสมทานศิ้นแล้วก็เลยเอาไปในบาปคงมันคงระงับไปแล้วอย่างนี้เลยไม่ทบทวนไม่อะไรเลยอย่างนี้ะ อย่างนั้นบาปมันไม่ไม่งับนี้บาปมัน ย, ย่อมติดตามไปอยู่นั่นแหลอะอ่ไอ้ส่วนที่เราสมทานศีลมันก็เป็นศีลไปอยู่บาปมันก็ไม่เกิดแหละเมื่อเราสมทานศีลมั่นคงไปแล้วนะแต่ส่วนที่มันทำมาแล้วนั่นสินั่นแหละมันทามาแล้วมันยังติดสายห้อยตามอยู่อะนั้นเราจึงต้องอาศัยอธิษฐานใจละไปเสมอเ ส, สมอไป นี่แหละที่ถึงสมกับความเพียรอันประกอบไปได้วยองค์สี่ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นะคือหนึ่งเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน อ, อันนี้ก็เพียรละมัดระวังกายวาจาตาหูจมูกลิน้นกายใจนี่แหละระวังกายวาจาไมา่ให้ล่วงละเมิดในพุทธบัญญัติที่สมทานแล้วระวังตาหูจมูกลิน้นกายใจอันนี้ ไม่ให้หลงยินดีไปในอารมณ์ที่น่ายินดีอันมันจะเป็นเหตุก่อให้ทำบาปเช่นอย่างว่าผู้สมทานมั่นในพรหมจรรย์อย่างนี้น ะ, ะเรียกว่าสินข้ออภมจริยาสินข้ออภิมจริยาบุคคลยังมีจิตกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่ อย่างนี้นะยังเศ้ามองอยู่แล้วสินข้อนั้นอ่ะมันเป็นอยงั้นดังนั้นนะต้องเมื่อรมทานสินอันเป็นส่วนทรมจันอย่างว่านั้นแล้วแล้วก็พยายามสำรวมตาหูจมูกเล่นกายใจไม่ให้หลงเขอไปยินดียินร้ายในรูปมากระทบในตาเป็นตน้นเมื่อ ถ้าพยายามสำมรวมจิตไม่ให้ยินดียินร้ายในรูปที่มากระทบในตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นแล้วเช่นนี้อันที่บุคคลจะได้ไปทำบาปด้วยความยินดียินร้ายในอารมมีรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นมันก็ไม่มีไม่มีนี่แหละเรียกว่าที่จะได้ไปล่วงสินผู้สมทานสินแปด แล้วจะไปแสดงความมายาสาไัยกับเพศกงกันข้ามหรือไปจับต้องร่างกายอย่างนี้ก็ไม่มีนี่แต่เราก็ไปเห็นสำนักทีบางแห่งหรือส่วนมากเลยที่อยังรับของต่อมือเพศกงกันข้ามอยู่อันนี้มันผิดเพื่อนก็ไม่สอนกันเลยไงก็ไม่รู้แล้วมีพวกเราอย่าไปทํำนะ ต้องสำรวมรักษาตนให้ดีให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ดีจริงๆอย่าเผลอตัวฝ่ายเพศกงกันข้ามเขาเอาสิ่งของอะไรยื่นส่งให้อย่างนี้เผลอตัวเราไปยื่นมือจับเอากับเขาเลยอย่างนี้มันก็ทำให้ศีลเศร้าหมองไปได้เข้าใจเราต้องมีสติให้เขาวางไว้เสียก่อนถึงก็จับเอา แล้วถ้ามันมีจิตยินดีในรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสะพัสอย่างว่านันเนะ่อยู่อย่างนี้เนะ่ยเมื่อเข้าใกล้เพศกงกันข้าวแล้วมันก็อยากมีความยินดีอยากจะใกล้จะชิดแม้เป็นภิกษุสามเณรก็เหมือนกันถ้ามีจิตยินดีในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั่นอยู่ในใจอย่างนี้น ะ, อ, ะอยากจะเข้าใกล้ชิด หาเรื่องพูดจะหาการงานทำเกี่ยวข้ อ, ของกันไปเข้าใกล้คิดกันได้หัวเราะกทะิกกซีต่อกันแล้วดีอกดีใจอันบริเมันทำให้พรหมจรรย์เศร้าหมองให้เข้าใจน ะ, ะต้องรู้ไว้นี่แหละอันบ่อกเกิดแห่งบาปอากุศลมันเป็นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียด ขึ้นไปโดยระนาดอย่างนี้เราต้องเรียนรู้ไว้เมื่อหากว่าผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็สำรวมตนให้ดีสำรวมมีสติสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเสมอเสมอเมื่อมีอารมณ์เหล่านั้นกระทบกระทั่งมาก็ห้ามจิตได้ม่ให้มันหลงยินดียินร้ายไปอย่างนี้นะผู้นั้นก็จะไม่ได้ทำบาปอากุศล ให้อย่างอย่างกลาง อ, อันอย่างหยาบนั่นจะเป็นอันว่าละมาแล้วอย่างนี้นะแล้วอย่างกลางก็ไม่ได้ทำบาปอย่างกลางให้เกิดมีขึ้นในใจเช่นนี้การรักษาสินก็คือสินจะบริสุทธิ์ได้ต้องสำรวมอินทรีย์ด้วยนั่นแหละเป็นภิกสุสามเนรก็าตามเหมือนกัน ถ้าว่าปล่อยให้ความยินดีนร้ายครอบงำจิตใจอยู่งั้นมันแสดงออกทางกายทางวาจานุนใกล้คิดกับเพศโกงกันข้ามบ่อยๆมันช่วยโอกาสเอาเวลามีการมีงานทําการทํางานต่างๆในวัดขึ้นมาแล้วอย่างนี้เอาแล้วมัว่วกันไปเลยอย่างนี้นะอย่าเน่าฮันดีภากันตั้งสังวรระวังอย่าไปมัว่ว ต้องมีสติต้องระมัดระวังข้ อ, ขอสําคัญก็ระวังจิตนี่แหละให้มันดีทําจิตให้เป็นปกติไม่ให้ลงยินดียินร้ายในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นแล้วมันก็รู้แหละความอบพืชทางกายทางวาจาเนี่ยมันก็รู้จักประมาณในเยอยอบพฤติอย่างไรจึงพอดีพอดีในเพศกงกันข้ามมันก็ต้องรู้เองแหละ คอ้เข้าใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจอันอย่าไปลืมจิตตรงนี้ยังไงยังไงเมื่อควบคุมจิตตรงนี้ได้แล้วก็เป็นอันว่าควบคุมความประพฤติทางกายวาจามันก่อใดความสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็มันก็สํารวมไปได้ด้วยดีเป็นปกติะอย่างนี้ ว่าแต่เราฝึกจิตนี่ให้มันตั้งมั่นลงไปให้มีปัญญารู้ความเกิดความแปรปรวนแตกดับของรูปของนามของสรพพสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่เสมอเสมอแล้วนะไอะ้อย่างนี้เรามงก็รักษาความรู้สึกของจิตนี่ให้เป็นปกติไปได้มันก็จะไม่วันไหวมันจะไม่แปรปรวนไป ในอิทธารมอารมณ์ที่น่ายินดีรักใครต่างๆมันจะไม่แปรไปในอนิทะารมณ์อารมณ์ที่น่ายินร้ายต่างๆอนั่นมันก็มันจะไม่แปรปผลไปความรู้สึกมันก็จะเป็นปกติสม่าเสมอไปแม้จะอยู่ในเงียบๆเตตัวคนเดียวไม่ได้ สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสว่านนั้นมันก็เป็นปกติอยู่ได้แม่ได้พบอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหนั้นมันก็สามารถสํารวมจิตให้เป็นปกติอยู่ได้นี่ความมุ่งหมายของกรรปฏิบัติไทยมันลึกเข้าไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละอ่าให้พากันเข้าใจ เราปฏิบัติก็มุ่งอย่างนั้นขอให้มุ่งอย่างนั้นเลยทีเดียวถ้าว่าเราไม่ตั้งเป้าหมายไปอย่างนั้นเนะี่ยมันก็ไม่จเจริญก้าวหน้าไปได้การปฏิบัติทำนะมันก็ย่ําต๊อกอยู่ของเก่าเท่านั้นเองเนะี่ยออฮันพอมันจิตเดือดร้อนขึ้นมาแล้วก็เอา้าทำความเพียนข่มมันลงข่มไปข่มมา มันก็ระ ง, งับลงไป อ, อยู่ไปอยู่มาพอเผลอๆมันก็เกิดขึ้นมาเผาจิตให้เดือดร้อนวุ่นวายแล้วก็ทำความเพียรขมๆ ม, มันลงไปมันก็สงบลงมันก็ย่ำตอกอ ย, อยู่ที่เก่าอยู่เรื่อยไปอย่างนั้นแหละมันไม่ก้าวไปได้เลยดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ขอให้ก้าวไปเรื่อยๆ แม้ว่าจะก้าวไปทีละน้อยละน้อยก็ยังดีอดีกว่าไม่ก้าวดีกว่าถอยหลังอเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันก้าวไปได้ก็รู้ได้บุคคลผู้มีสติสมัมประเชญะประจำอยู่กับจิตใจอยู่กับกายวาจาเสมอแล้วนี่มันรู้จักความเคลื่อนไหวของจิตใจได้ทุกขณะเลยขณะนีจิตใจเคลื่อนไหวไปอย่างนั้นมันก็รู้ ผู้มีสติกแก่กล้าผู้มีสัมปชัญญะรู้กายรู้จิตตัวเองอยู่เสมออย่างนี้น ะ, ะมันก็รู้ให้พึ่งพากันเข้าใจถ้าหากว่าไม่ประเมินผลแห่งการปฏิบัติไปพร้อมกันอย่างนี้มันจะไปรู้ได้ยังไงแล้วลว่าเราปฏิบัติมานี่มันได้ผลมากน้อยเพียงใดกิเลสเบาบางลงไปอย่างไรบ้าง มันก็รู้ไม่ได้เลยอ่าเฮ้ยไหนๆพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจกระทำความเพียรลงไปในเมื่อเราได้มาพบคำสั่งสอนของพระเจ้ามาพบแนวทางข้อปฏิบัติอันถูกต้องอันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วอย่างนี้นะเราไม่ควรละโอกาสนี้ให้ เสียไปเปล่าเปล่าแม้ว่าเราประมาทในชาตินี้ไม่กระทำความเพียรปล่อยให้กิเลสครอบงำอา้าวท่องเที่ยวไปในสงสารต่อไปมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไปหากว่าได้ไปฟังคำสองพระพุทธเจ้าต่อไปอีกเห็นทุกข์ข็นภัยอีกก็เริ่มสร้างบุญกุศลไป เหมือนเดิมอยู่นั่นแหละไอ้ทุกนี่แหละมันกระตุ้นใจของคนเราให้สร้างบุญสร้างกุศลเพราะพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้แล้วว่าสุขขอปุญญัสัอุจเยโยนี่นะการสั่งสมบุญนํามาซึ่งความสุขทุกขอปาปสาุจเยโยการสั่งสมบาปนํามาซึ่งทุกอ่ะอย่างนี้ เราชาพุทธได้ฟังพุทธภาษิตนี้แล้วลราเบื่อทุกข์กันบัดนี้ไม่ต้องการทุก์ต้องการความสุขเมื่อต้องการความสุขเราก็ต้องสั่งสมบูรณ์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําสั่งสอนนั้นอก็ขอให้เข้าใจตามนี้ทําไหมท่านยังสอนให้สั่งสมบูรณ์กุศลก็เพราะบญกุศลเป็นเชื่อแห่งความสุข ผู้มีบุญได้ชื่อว่ามีความทุขผู้มีบาปก็ได้ชื่อว่ามีความทุกข์นี่มันก็คู่กันอย่างนี้เองเนี่ยดังนั้นเมื่อบุคคลใดเบื่อต่อความทุกข์ทั้งหลายแล้วมันก็ต้องโน้มใจไปในทางบุญกุศลสั่งสมบุญกุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ไม่ประมาทการสํารวมจิต รักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีที่ตนกระทํามาแล้วอย่างนี้นะตั้งมั่นอยู่ในคุณประพุทธรรมรสงค์พร้อมๆกันไปเลยอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้บุญกุศลนั่นเจริญขึ้นในจิตใจได้เพราะว่าคนเราเมื่อมีบุญมีคุณเป็นทุนอยู่ในจิตใจแล้วมันอยู่เฉยๆไม่ได้จะต้อง บุญกุศลจะกระตุ้นใจใทำความดีเลยไปไม่ประมาทเลยเป็นอย่างนั้นแล้วบุญกุศลหลังก็มาตกแต่งหรือมารักษาบำรุงร่างกายนี้ให้อยู่เย็นเป็นถุกโรคภัยอันร้ายแรงไม่ค่อยเบียดเบียนร่างกายมีกำลังวางชาดีประกอบกุศล กิจต่างๆได้เต็มที่อย่างนี้นะมันเมื่อมันพร้อมอย่างนี้แล้วมันก็สั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นได้โดยลำดับไปดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้